สองร้อยสามสิบกายนี่แลคือความเป็นชีวะที่เป็นนามตัวแท้ที่จริงแล้วศีลจิตตรงเล็บสมาธิปัญญานั้นไม่แยกกันต้องทำงานร่วมกันอยู่เสมอจึงจะพากันเจริญโดยเฉพาะเจริญถึงนิพพานถ้าไม่มีปัญญาอันเป็นสัมมาปัญญา พลังงานในตัวคนก็จะพาศีลพาจิตของตนเสื่อมเรียกว่ากายเสื่อมจิตเสื่อมผู้ศึกษาพูธนั้นจะไม่แยกส่วนศีลสมาธิปัญญาหรือไม่แยกกายกับจิตออกจากกันไปอยู่โดดๆในขณะที่พลังงานนั้นยังเป็นชีวะย่อมมีชีวิตติทซีจะมากหรือน้อยเท่านั้น เราจะศึกษาจากธรรมะสองขึ้นไปเสมอจะมากเท่าไรเราก็ค่อยๆศึกษาไปให้รู้ความจริงจากธรรมสองที่มันปรุงแต่งกันอยู่นี่แหละจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงธรร ม, มะหนึ่งที่มันปรุงแต่งกันขึ้น ไม่ใช่ไปแยกธรรมะทั้งหลายออกจากกันไปเป็นส่วนๆโดยไม่รู้ว่ามันทั้งหลายนั้นปรุงแต่งคือมันสังขารกันอยู่อย่างไรผู้ทำรรธรรมะ2ให้กลายเป็น1ได้โดยสามารถดับสังขารคือดับธรรมะส่วนหนึ่งในกิตให้เหลือแค่ธรรมะหนึ่งสเร็จ นั้นคือผู้สามารถทำพลังงานจิตตนให้เป็นเอกะสโมโสรนาหรือเอกคะาะตาจิตได้สำเร็จซึ่งเป็นผลสำเร็จของนามโดยแท้กายคือความเป็นชีวะซึ่งหมายเอานามธรรมเป็นผลแท้ผู้สามารถทำให้พลังงานความเป็นจิตหรือเป็นนามนั้นๆดับ ไปจากกิจหรือไปจากชีวิตของตนได้เด็ดขาดนั่นคือนิโรธแท้ของพุทธศาสนากายคือธรรมะสองที่เราจะระงับให้เหลือธรรมะหนึ่งที่เรียกว่าเอกกคตา ก, กิจที่คนทำให้เป็นเอกะสโมสรนาประชุมลงเป็นหนึ่งได้